วันนี้มีคอสใช่ไหมเดีย๋ยวจะมีพิสุณีอีกกลุ่มหนึ่งนะพิสุนีเขาบวชกับลังกานะเป็นรูปผสมคือพิสุณีไฟเถรวาดนะไม่มีแล้วเขาไปบวชจากพิสุณีจีนแล้วก็มาบวชกับพระเทรวาด์ลังกานะให้เป็นลูปผสมผู้หญิงลำบากนะผู้หญิง นักบวชผู้หญิงเนี่ย น, นีบางคนก็อยากเป็นภิกษุณีอะเงี้ยบางที่ก็ลําบากจริงเห็นแล้วสงสารเลยเพวกผู้ชายได้เปรียบมากเลยเร็วแค่ไหนนะก็มาบวชได้ในความเป็นจริงแล้วธรรมะ ม, มันไม่มีเพศหรอกธรรมะเป็นของกลางนะไม่ใช่ เ, เพศใดเพศหนึ่งจะเหนือว่าเพศใดเพศหนึ่ง ผู้หญิงผู้ชายถ้าภาวนาให้สมควรแก่ธรรมะก็ได้ธรรมะด้วยกันนี่ผู้ชายมันมีระบบที่เกื้อกูลไม่ต้องทํมาหากินได้ผู้หญิงลำบากวัดแต่ละแห่งเขาก็ไม่อยากรับแม่ชีหรอกส่วนใหญ่ผู้หญิงรวมกลุ่มกันแล้วปัญหาเยอะชอบทะเลาะกันผู้ชายก็ทะเลาะกันนะพวกพระไม่ใช่ไม่ทะเลาะหรอกแต่ทะเลาะแล้วย้ายวัดได้ ผู้หญิงนะไม่มีใครเขาอยากรับเนี่ยทะเลาะกันเราก็ต้องทนอยู่อย่างนั้นลําบากมากเลยเพ้พวกเราผู้หญิงทั้งหลายนะไม่ต้องไปคิดหวังว่าจะต้องบวชอะไรหรอกเป็นฆราวาสก็ภาวนาจริงๆธรรมะเป็นของกลางพระก็ทําได้โยมก็ทําได้ในขั้นต้นๆนเนี่ยเป็นพระหรือเป็นโยมหรือเป็นชีเลยเนี่ยไม่ค่อยมีนัยยะเท่าไหร่ ขั้นต้นๆนะถ้ารู้จักหลักของการเจริญสติในชีวิตประจําวันทําตัวนี้ได้มากๆเนี่ยโยมก็ทําได้เพราะโยมนะมีผัสสะที่รุนแรงเรากระทบกระทั่งอารมณ์ที่รุนแรงอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนนักบวชนะมันบันไม่ค่อยมีอะไรยิ่งอยู่ป่าอยู่เขาแล้วไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารนะไม่ค่อยมีอะไรกระทบเท่าไหร่นานๆมีงูเลื้อยมาตัวหนึ่งมีผัสสะ เดี๋ยวมันก็ไปละถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติธรรมนะอยู่ตรงไหนก็ทำได้ยี่งแต่ในขั้นที่ละเอียดขึ้นไปเนี่ยนักบวชเหมาะาเหมาะมากกว่าครวาสนะฉนั้นพวกเรายังมีโอกาสรักษานักบวชเอาไว้ได้รักษาพระรักษาเนรรักษาชีอะไรไว้ได้ก็เกือ้อกูลรักษาเอาไว้วันข้างหน้า เรจะเข้ามาอยู่ในแวดวงนี้ได้มาภาวนาในขั้นที่แตกหักละเอียดลงไปแต่ในขั้นเบื้องต้นนี้ที่เรายังไม่ได้บวชนะเราภาวนาแบบาาแคารวะขั้นแรกสุดเลยเราก็มีศีลเหมือนกันนะต้องมีศีล น, นะถ้าขาดศีลห้าซตัวเดียวเนี่ยไม่มีทางแะเป็นพระเนี่ศีลเยอะนะพระศีลเยอะกว่ายมเยอะเลยไม่ใช่แค่ศีล2องบเจดหรอก ้องไปอ่านพระสูตรดพระสูตรนะตั้งแต่พรมชาลสูตรสามัญญผลสูตรอะไรเนี่ยไล่ๆไปเรื่องศีลมีศีลอย่างเบื้องต้นนะศีลอย่างกลางศีลอย่างละเอียดเนะนี่ยนพระต้องปฏิบัตินะเย้ยไปหมดเลยอย่างนี้คราวาถ้าเอาศีลห้าไหมมีศีลห้าเรารักษาศีลแล้วก็คือการจัดระเบียบชีวิต ให้มันเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเองคนไม่มีศีลเนี่ยชีวิตจะยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีความสุขไม่มีความสงบอย่างคนคิดจะฆ่านะชีวิตวุ่นวายเน่คนคิดจะขโมยชีวิตวุ่นวายคิดจะมีชู้ชีวิตวุ่นวายนะคนโกหกหลอกลวงตลบตะแรงใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเลยรนี้ชีวิตวุ่นวายทั้งหมดเลยนะเพราะเรารักษาศีลเนี่ยเพื่อให้ชีวิตเราสงบสุข เกื้อกูลที่จะภาวนาในขั้นที่ละเอียดต่อไปถาัจากนั้นเราก็มาฝึกให้มันมีสมาธิขึ้นมานะจิตใจของคนปกตินะั้นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันจับอารมณ์โน้นทีหนึ่งจับอารมณ์นี้ทีหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตใจไม่มีความสงบอะตะครุบอารมณ์โน้นทะีตะครุบอรารมณ์นี้ทีแล้วอารมณ์นี้ผ่านเข้ามาเร็วผ่านเข้ามาทางวทวารทั้งหกผ่านเข้ามาทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่คือช่องทางที่อารมณ์ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้เรามีทั้งตามีทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจนี่เรากระทบอารมณ์ทั้งวันทั้งคืนมีขนาดใดไม่กระทบอารมณ์มีไหมให้มีขนาดนอนหลับนะจิตอยู่ในผวังก็ยังมีอารมณ์ของจิตในผวังนะเรื่องอาตีตะอาตีตารม์อารมณ์ในอดีต ไม่ใช่ว่ามีขณะใ ด, ดขณะหนึ่งที่ไม่มีอารมณ์เมื่อใดมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์เมื่อใดมีอารมณ์มืนั้นมีจิตอยูนะ่เข้าคู่กันอยู่ตลอดเวลาเั้นอารมณ์เนี่ยผ่านเข้ามาให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาพอผ่านเข้ามาแล้วนะใจ ก, ก็เพิ่มบันไหวยินดียินร้ายไปอันนี้ยังไม่ทันจบดีเลยอารมณ์ใหม่มาอีกแนละ้วนะเดี๋ยวกระทบทางตาเดี๋ยวกระทบทางหู ระทบทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตที่วิ่งพล่านๆไปทางถวาวรทั้งหกมีอารมณ์มายัว่วใจิตเกิดความอยากความอยากก็ ม, มีหกอย่างอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจมีความอยากหกช่องทางเราเคยเรียนเรื่องตัณหาเราเรียนตัณหาสามอย่างกามตัณหาเพราะว่าตัณหา ความตัณหาความอยากได้อยากได้อารมณ์นั่นเองเพราะว่าตัณหาก็คืออยากจะอยู่ถาวรอยู่นานๆวิภาวะตัณหาก็อยากให้มันสูญไปนม่มีความอยากที่เรารู้จักมีสามอย่างแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยความอยากมีหกอย่างคืออยากได้รูปเรียกรูปตัณหาอยากเห็นรูปอยากได้ได้กลิ่นอยากได้รสอยากฟังเสียงอยากฟังเสียงเรียกสัทธตัณหา อยากได้กลิ่นเป็นคันธะตันหาอยากสัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจเรียกว่าธรรมะตันหาและตันหามีหกช่องจิตก็เลยทยานออกไปได้ในถารทั้งหกนี้ออกไปหาอารมณ์ตลอดเวลามันจับอารมณ์โน้นทีหนึ่งจับอารมณ์นี้ทีหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าจิตนะั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปจิตเหมือนวานอนใครรู้จักว่านอนบ้าง ไม่ใช่นอนทั้งวันแต่ว่านอ น, นทำไมภาษาพราไตยปิฎกเาพูดเลาะลิงนั่นแหละนะว่าจิตมันลิงนะคว้ากิ่งไม้อันนี้แล้วก็โหนตัวไปเวียงตัวไป <c oughs> ปล่อยมือจากกิ่งไม้อันหนึ่งก็จะครุบกิ่งไม้อีกอันหนึ่ง <c oughs> นี่จิตก็เหมือนลิงท่านบอกงี้นะ <c oughs> ในนิทานนิทานวัก ก็ใจปิดอกเล่มสิบหกหัวข้อที่ร้อยกว่ า, วาจําไม่ได้แล้วเนี่ยต้องอ้างอิงบอกจิต ด, ดวงหนึ่ ง, งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนะเหมือนวานอนเหมือนลิงะโยนตัวจับกิ่งไม้นี้ไปจับกิ่งไม้นี้งั้นจิตที่มันจับอารมณ์ไปเรื่อยๆนะมันฟุน้งซ่านมันหาความสงบไม่ได้มันเวียงไปเรื่อยเวียงตัวไปเรื่อยหมุนไปรอบๆนะหมุนเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ การฝึกสมาธิก็คือฝึกให้จิตมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นลิงจับหลักแล้วฝึกให้เป็นลิงจับหลักใครเคยได้ยินคาว่าลิงจับหลักบ้างเด็กใหม่ๆจะไม่รู้จักละใครย่องมือก็คือแก่เพ <c oughs> <c oughs> แก่แล้ววิธีฝึกให้ลิงจับหลักนะคือฝึกสมาธินั่นเองแทนที่จะปล่อยให้จิตร่อนเร่ไปในทาวาวรทั้งหกนะก็น้อมจิตมาอยู่ในอารมณ์มันเดียว บางคนใช้หลักทางตาให้จิตรู้อารมณ์ทางตาอย่างเดียวเช่นนั่งเพ่งกระสินกระสินไฟกระสินดินกรสินน้ํากระสินลมกระสินลมเพ่ยงยังไงลมพัดมองไม่เห็นเพ่งใบไม้ไหวดูจากใบไม้ไหวยกนี้ดูธงชาติก็ได้ดูธงมันไหวไม่จะรู้สึกว่าอากาศมันเคลื่อนอย่างนี้กระสินลม กะสินดินกระสินน้ำกะสินไฟเล่จุดเทียนให้เรานั่งดูดูไปดูไปนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเล่าตลกดิท่านเล่นกะสินไฟท่านเพ่งกะสินไฟเล่นทุกวันทุกวันนะท่านบอกวันหนึ่งกะสินดีดีนะรู้สึกสว่างมากเลยรู้สึกร้อนด้วยรู้สึกได้ควันด้วยอ <laughs> <laughs> งยหน้าขึ้นมา เ, เทียนมันล้มไปแล้ว <laughs> ไฟกาลังจะไหม้กุฏิ <laughs> แต่มาถ้าเลยเปลี่ยนไปเพ่งกับสิ์น้ําแทนกับสินน้ำหน้าเอาฝาบาทนี่แหละใส่น้ำแล้วนั่งดูนะกับสิ์เนี่ยดูออกนอกนะบางคนดูพระพุทธรูปดูลูกแก้วนะอันนี้คือหลักของสมถะทั้งหมดเลยน้อมใจให้ไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวนี่อารมณ์ที่รู้ด้วยตานะบางทีก็รู้รู้ด้วยกายบางคนรู้ด้วยกายเช่น ดูท้องผ่องยุบรู้สึกถึงความพองรู้สึกถึงความยุบอันนี้รู้สึกด้วยร่างกายที่เคลื่อนไหวบางอันนี้รู้ด้วยใจเช่นเพ่งความว่างในจิตอะไรเงี้ยอะไรก็ได้นะอันหนึ่งขึ้นมายัางรู้ลมหายใจถ้ารู้ลมหายใจรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยตาหรือเปล่ารู้ด้วยกายเพนะราลมหายใจเคลื่อนไหวเนี่ยรูปมันเคลื่อนไหวนะรูปตัวนี้รูปที่เคลื่อนไหว รู้ด้วยกายเดินจงกรมไม่ใช่เอาตาไปดูแต่รู้สึกถึงร่างกายที่เดินกนะาร เ, เดินเดินนั่งนอนเนะีนะ่ยกวิญยัติรูปวินยัติรูปรู้ด้วยใจแต่ถ้าจะดูกายจริงจริงเนะีนะ่ยรู้ด้วยสัมผัสนะนี่เราค่อย ค, อยคอยฝึกไปนะให้จิตมันอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่พอใจที่จิตมันชอบนะจิตมันชอบที่จะรู้ลมหายใจก็ไปรู้ลมหายใจไป จิตมันชอบรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวรู้ท้องผ่องยบ ก, ก็ให้มันรู้ไปจิตมันชอบพุทโธก็ได้พุทโธก็รู้ด้วยใจพุทโธเป็นความจิตก็รู้ด้วยใจท่องพุทโธพุทโธไปจิตรู้พุทโธอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่พวกกสินอะไรพวกนี้หลวงพ่อไม่ค่อยแนะนำนะเล่นยากเล่นแล้วมันออกนอกเพราะมันดวกนอกพยายามเล่นกรรมฐาน ท, ที่มันย้อนเข้ามาที่กายที่ใจไว เร่อกรรมฐานออกนอกนะเดี๋ยวมันออกไปใหญ่เลยอย่างเราไปดูสมมัิดูไฟนะเชจนกระทั่งหลับตาลงมาก็เห็นไฟลนะทีแรกไฟก็ยังไหวๆนะแต่ไปมันเปลี่ยนเป็นดวงสว่างขึ้นมานะจากดวงสว่างนี้แหละมันพาออกนอกอยากรู้อยากเห็นเลยมันออกนอกไปรู้หมดเลยมันไม่ค่อยย้อนเข้ามางั้นะถ้าเราจะทำสมถะให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็แนะนาให้เป็นอารมณ์ภายในนะ รู้สึกลมหายใจก็ได้รู้สึกพุโทโธก็ได้ดูท้องพองยุบ ก, ก็ได้นะรู้สึกไปดูร่างกายเคลื่อนไหวก็ได้คือรู้อารมณ์มันเดียวที่สบายๆพะจิตมันมีความสุขที่ได้รู้อารมณ์มันเดียวจิตมันจะไม่วิ่งพล่านๆไปหาอารมณ์อื่นที่จิตของเราวิ่งพล่านไปหาอารมณ์น น, นทีหนึ่งอารมณ์ น, นี้ทีหนึ่งนะเพราะมันไม่มีความสุข บางคนก็อยากดูหนังใช่ไหมคิดว่าดูหนังแล้วจะมีความสุขไปดูหนังเสร็จแล้วก็งั้นๆแหละไปหาของอร่อยกินดีกว่ากินของอร่อยคงจะมีความสุขนี่เปลี่ยนอารมณ์ไปละไปกินกินกินมากไปไม่สุขแล้วทุกข์อีกละะไปเที่ยวดีกว่าไปช ม, มวิวเที่ยวทหลงทะเลไปถึงนึกว่าจะมีความสุขไปดูๆไปเดี๋ยวนึงไม่สุขอีกละหนาวไป ถ้ามีผ้าห่มแล้วมีความสุขอยากโน้อนอย่างนี้นะใจนี่กระโดดตลอดเวลาใจเหมือนลิงเขากระโดดปุ๊บปุ๊บ๊บเต็มไปด้วยความอยากใจไม่มีความสุขนะใจจะไม่มีความสงบถ้าเมื่อไรใจมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันใดนใจจะสงบอยู่ในอารมณ์ันนั้นอย่างหลวงพ่อหัดมาตั้งเด็กหลวงพ่อหายใจเอาหายใจเข้าพูดหายใจออกทูะ ตอนเด็กๆมีนับด้วยนับหนึ่งนับสองด้วยนะ2องสามสี่นับไปถึงครูบาอาจารย์ท่านสอนนับถึง10บเราเด็กๆนับเลขไม่ค่อยเก่งนะนับถึง10แล้วย้อนมาเก้าแดเจอะไรเนี้ยขึ้นขลงลเนี้ยนับไม่เป็นนับมันถึงร้อยเลยนับไปเรื่อยๆนั้นเรามีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจนะหลวงพ่อเวลาจะทําความสงบนั่หลวครับก็มานั่งหายใจจิตใจไปจับอยู่กับลมนะจิตใจมีความสุขจิตก็สงบนะ แต่มามหาดูจิตเนี่ยดูจิตชํานานขึ้นมาเราพบว่าจิตบางอย่างเนี่ยเอาไว้ทําสมถะได้จิตที่ไปรู้ความว่างๆเอาไว้ทําสมถะได้จิตที่รู้ความไม่มีอะไรเลยเอาไว้ทําสมถะได้เราะั้นเราน้อมจิตไปอยู่ในความว่างน้อมจิตไปอยู่ในความไม่มีอะไรเลยจิตสงบอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราถนัดอะไรนะรู้อารมณ์ไหนแล้วมีความสุขเราก็รู้วอารมณ์มันนั้นแหละเป็นที่อยู่ของจิต ถ้าจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์ใดจิตจะมีสมาธิคือตั้งมั่นอยู่ในอารมม น, นั้นไม่ไม่หนีไปที่อื่นนี่เรื่องของสมาธินะหรือบางคนจะใช้วิธีดูจิตเราก็ได้ถ้าทำสมาธิลึกซึ้งอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่เป็นเราดูจิตเรลยนะบริกรรมไปด้วยหรือหายใจไปด้วยก็ได้หายใจไปบริกรรมไปดูท้องผองยุบไปไงี้แล้วพอจิตขยับไปยืย่เคลื่อนไหวรู้ทันมันไปเรื่อย เรารู้ทันจิตเป็นตัวหลักนะแต่เราม<ๆ>ีอารมณ์อืนน่นมาเป็นเครื่องอยู่เป็นตัวลอ่อเช่นเราพุทโธพุทโธไปแล้วเราก็รู้ทันจิตจิตไปอยู่ที่พุทโธเราก็รู้จิตหนีไปจากพุทโทธเราก็รู้พอเรารู้ทันจิตที่หนีไปนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาสงบขึ้นมานี่ได้สมาธินะเรารู้ลมหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้จิตเป็นมีปีติมีความสุข นะมีอุเบกขามีอะไรขึ้นมาเรารู้ทันลูกเดียวเลยรู้ทันจิตไหมนะเรารู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะจิตไม่จะสงบอย่างพอรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะพอรู้ทันปั๊บนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้ช่วขณะหนึ่งนะนี่เป็นวิธีง่ายๆที่จะฝึกคณิกะสมาธินะคือดูจิตเอานะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวไปจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาช่วขณะ รู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตก็ตั้งมัน่นรู้ทันจิตที่ไปเพ่งไว้จิตก็จะตั้งมัน่นขึ้นมาถอนตัวขึ้นจากการเพง่งถอยออกมาจากการหลงไปจิตก็ตั้งมัน่นอันนี้ก็เป็นวิธีดูจิตให้เกิดสมาธินะไม่ยากอะไรถ้าจิตมีสมาธิมีความตั้งมัน่นแล้วอยากทําสมาธิที่ลึกเข้าไปก็ดูความว่างของจิตเนะนี่ยลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเรายังไม่ต้องเล่นตัวนี้เล่นตัวนี้อันตราย อันตรายตัวที่มันติดง่ายมันมีความสุขเนี่มันติดว่างๆไปติดความว่างนี่เสร็จเลยไม่เดินปัญญาและวใช้ไม่ได้นะเราทําสมาธิเพื่อให้อะไรเพื่อให้มีแรงที่จะเจริญปัญญาให้จิตใจตั้งมั่นนะเพะั้นเบื้องต้นนะพวกเราไปฝึกรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆนะจิตนี้ไปแล้วรู้จิตนี้ไปแล้วรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆอย่าบังคับมันนะแค่รู้แค่รู้จิตนี้ไปแล้วรู้จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งได้ทีละขณะขณะไปนะ หลังจากนั้นเรามาฝึกเจริญปัญญาหลายคนเนี้ยินรียแก่กล้ามาพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บนะมันเกิดการเจริญปัญญาโดยไม่เจตนานะอย่างบางคนนะกำลังอาบน้ําอยู่ถูสบู่อยู่ถูไปถูมานะเห็นร่างกายที่กําลังถูสบู่อยู่นี่ยเป็นท่อนๆ อ, อะไรท่อนหนึ่งไม่ใช่เราเละนี่มันมือหรือมันอะไรก็ไม่รู้นะไม่เรียกว่ามือไนดะ้วยรู้สึกเป็นท่อนๆห น, น, นึง่ง จริงนี่เราไปเห็นรูปเขาแะ้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นมานะพอสติะระลึกรู้ร่างกายลงไปมันจะเห็นรูปร่างกายนี้เป็นแค่รูปเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุเท่านั้นเองบางคนนอนอยู่นะนอนดูจิตดูใจไปนี่แหละใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลไปแล้วรู้นะใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาพอใจตั้งมั่นแล้วเกิดสติเกิดะระลึกรู้ร่างกายที่กําลังนอนอยู่เห็นร่างกายนอนร่างกายพลิกไปพลิกมานะมันรู้สึกขึ้นมาในขนาดนั้นในร่างกายนั้นไม่ใช่เราหรอก เป็นแค่ก้อนธาตุอันหนึ่งที่จิตไปรู้เข้ามันแยกกายกับจิตออกจากกันการเจริญปัญญานะในเบื้องต้นนะต้องหัดแยกขันธ์บางคนก็แยกอายตนะบางคนก็แยกธาตุการเจริญปัญญานี้ทำไปเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราในเบื้องต้นจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราในเบื้องปลายจะล้างความยึดถือในกายในใจนะยึดถือในขันธ์ห้าในอายตนะในธาตุ นี่วิธีที่จะทําลายความเห็นผิดเว่ามีเราวิธีที่จะทําลายความยึดถือในธาตุในขันในยตนาทั้งปวงก็คือการหัดแยกมันแยกมันเป็นส่วนๆวิธีนี้พระพุทธเจ้าใช้อยู่นะเรียกว่าวิพัชชวิธีว่แหวนสระอีพอสำเพอไม้ห่านกาดชอช้างวิพัตชวิธีวิพัตชวิธีเนี่ยเป็นวิธีที่จะฝึกจนกระทั่งเรามีปัญญาเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอก เมืออยเรามีรถยนต์อยู่หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีอยู่จริงๆริเราจับรถยนต์มาถอดออกเป็นชิ้นชิ้นอันนี้ลูกล้อลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมอันนี้พวงมาลัยนะพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์นี่ฝาครอบล้อนี่ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมนี่เบรกนี่คลัตช์นี่เกียร์นี่อะไรอะหลังคาตัวถังช่วงล่างโช็อกกันชนนี่หม้อน้ำนี่ถังน้ำมัำน แต่ลาันแต่ลั น, ลนไม่ใช่รถยนต์ทั้งสิ้นเลยนะเราจะเห็นความจริงว่าจริงๆรถยนต์เป็นแค่ภาพหลวงตารถยนต์ไม่มีจริง เ, เมื่อเราถอดมันออกมาเป็นชิ้นๆเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวเราเป็นแค่ภาพหลวงตาเมื่อเราถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมาเป็นชิ้นๆนะนังั้นนะาการเจริญปัญญาเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยการถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมาเป็นชิ้นๆไป ง่ายๆเลยกายกับใจแยกสองอันก่อนนะสมัยเรานั่งหรือทําอะไรอยู่เนี่ยบางคนมันอัตโนมัติขึ้นมานะที่เราอินทรีย์มันกล้าขึ้นมาฝึกรู้สึกตัว เ, เกิดเห็นเลยร่างกายไม่ใช่เราจิตอยู่ต่างหากฝึกอย่างนี้ก็มีนะถ้ามันไม่ยอมเห็นอ่ะถ้ามันไม่ยอมเห็นทํำยังไงดีถ้ามันไม่ยอมเห็นนะน เ, นนะเราก็ทํากรรมฐานอะไรสักอันหนึ่งมาช่วยเหมือนกันกรรมฐานที่ใช้ร่างกายนี่แหละเช่นนั่งสมาธิเดินจงกรม เวลาที่เรานั่งสมาธิอยู่นะเราค่อยๆดูไปร่างกายนี้มันนั่งอยู่นะจิตมันเป็นคนรู้รู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่มันมีคนคนหนึ่งเป็นคนรู้ว่าร่างกายนี้นั่งอยู่นี่ค่อยๆฝึกเนี้ยร่างกายนี้เดินอยู่นะมีคนคนหนึ่งเป็นคนรู้ว่าร่างกายนี้เดินอยู่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งมีคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ค่อยๆฝึกเนี้ยจะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งถ้าจิตมันแยกออกจากกายจริงๆนะจะเห็นว่าร่างกายกับกกจิตนะอยู่ห่างๆกันมีช่องว่างมาคั่นนะไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่เนื้อเดียวกันนนี่บางคนยังดูตัวนี้ไม่ถนัดนั่งก็นั่งไปนั่งสมาธิเงี้ยนั่งไปได้ไยปเดี๋ยวเราเห็นความป Р วดความเมื่อยแทรกเข้ามาเราจะรู้เลยเมื่อกี้ร่างกายยังไม่เมื่อยตอนนี้ร่างกายเมื่อย ร่างกายกับความเมื่อยเนี่ยคนละอันกันจิตที่เป็นคนรู้ว่านี่ร่างกายไอ้ น, นี่ความปวดความเมื่อยก็มม อ, ยอยู่ต่างหากอีกนะนี่ค่อยๆฝึกแยกออกไปนะอันนี้เราแยกกายได้ส่วนหนึ่งแยกเวทนาได้ส่วนหนึ่งแยกจิตได้ส่วนหนึ่งแยกได้เยอะขึ้นละนี่พอมันเมื่อยมากๆนะใจมันกนระสับกระสายเราค่อยๆรู้ไปความกระสับกระสายหรือความหงุดหงิดใจที่เกิดขึ้นในพวกโทสะนะใจฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะใจ กสับกระสายทุรนทุรายขึ้นมาก็เป็นโทสะเราก็จะเห็นว่าใจที่มีโทสะใจความกระสับกระสายหรือตัวโทสะเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่เราแยกแยกขันได้อีกขันหนึ่งแล้วเรียกสังขารขันแล้วก็จะแยกได้นะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความรู้สึกปวดเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งใจที่ทุรนทุรายเพราะว่าร่างกายปวดเมื่อยนะอยู่อีกส่วนหนึ่งนะาธาตุรู้ธรรมชาติรู้ ความทุรนทุรายนั่นอยู่ส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนรู้ความทุรนทุรายเป็นอีกส่วนหนึ่งแยกได้หลายขันร่างกายส่วนหนึ่งเวทนาคือความปวดเมื่อยอันหนึ่งความทุรนทุรายหรือความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นนี่อีกอันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้สภาวะทั้งหลายนี่เป็นอีกอันหนึ่งนี่ ค, อค่อยๆแยกออกไปนะพอแยกออกไปแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นมันจะเดินปัญญาต่อมันจะเห็นว่าร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะ ไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุหนึงกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกตลอดเวลาตัวเวทนาเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเรานะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์มันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นตัวเรามันก็อยู่ต่างหากนะมันไม่ใช่ร่างกายด้วยมันไม่ใช่จิตใจด้วยมันเป็นขันอีกขันหนึ่งอยู่ต่างหากเราเฝ้ารู้เฝ้าดู ziękuję. เราก็จะเห็นเลยเวทนาเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเวทนาเดียวก็ as, ana, ด, ว derive. ดับไปนะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะ หรือความหงุดหงิดใจเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันแนละ้วเห็นความหงุดหงิดเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตความหงุดหงิดเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่ใช่รักตัวเราอีกนะนี่จะเห็นอีกความหงุดหงิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราหรือความดีใจนะปีติอะไรพวกนี้เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาทั้งหมดเลยค่อยๆหัดดูไปเราะจะเห็นว่าไม่มีตัวเราความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่เป็นแค่อาการปรากฏขึ้นมา ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ใครรู้สึกว่าความโกรธเป็นคนบ้างมีไหมถ้ามีจะได้แนะนำให้พบจิตแพทย์ใครรู้สึกว่าความโกรธเป็นคนเราเห็นไหมความโกรธไม่ใช่คนนึกออกไหมแต่พอจิตของเราเข้าไปรวมกับความโกรธนะเรารู้สึกว่าเราโกรธเพราะเราโกรธมันมีคนคละวใช่ไหมพอขันมันมารวมกันนะมันมีคนถ้าขันมันแตกตัวออกไปแล้วมันไม่มีคน เราจะฝึกนะเราฝึกเดินปัญญาเนี่ยเบื้องต้นเราฝึกกระจายขันออกไปก่อนบางคนที่ฝึกเจริญสตินะพอใจตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันมีอินทรีย์แก่กล้ามีของเก่าทํามาม่นจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราจิตที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราเห็นเองนะถ้าไม่เห็นเราต้องช่วยมันนิดนึง่งนะนั่งดูมันไปนั่งดูไปหรือเดินดูมันไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกช่วยมันหน่อย นะมันไม่เห็นเองก็ช่วยมันนะบางคนถึงขนาดต้องช่วยมันจิดด้วยซ้ำไปนะดูยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะก็ช่วยมันคิดนิดหน่อยใอ้ร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นถ้ำนะให้จิตมาอาศัยอยู่อะไรเงี้ยค่อยช่วยมันคิดไปนะดูไปเรื่อยเรื่อ ย, ร, อยร่างกายไม่นานก็แตกสลายตายไปอะไรค่อยค่อยคิดนะอันนี้เป็นอุบายเป็นะอุบาย แล้ว เ, เราค่อยๆหัดดูเลยนะหัดแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามมันเรื่อยๆไปเบืนะ้องต้นก็กายอยู่ส่วนหนึง่งใจอยู่ส่วนหนึง่งเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหาย ใ, ใจเข้าใจเป็นคนดูผู้อาจารย์อภิธรรมก็ชอบสอนอย่างนี้ใช่มันแต่นี่ไหมรูปรูปมันเดินใช่ไหมนามมันรู้นามมันรู้อะไร น, นามนามเป็นคนรู้ จริงก็กายกับใจนะแยกออกนะให้ฝึกเรื่อยๆไปนะต่อไปเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะแยกนะมันแยกเองละจะเห็นในร่างกายก็ทํางานไปส่วนหนึ่งความสุขความทุกขนะ์ก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาบางทีก็แปลกปลอมเข้ามาในกายบางทีก็แปลกปลอมเข้ามาในใจนะกุศลอกุศลทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแต่แปลกปลอมมาที่ใจอย่างเดียวนะไม่แปลกปลอมไปที่กายกุศลอกุศลไม่ได้อยู่ที่กายอยู่ที่ใจ ตัวใจเองก็เป็นคนรู้เดี๋ยวก็ไปรู้ทำมารมณ์เพื่ออารมณ์ทางใจเดี๋ยวก็รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆร่างกายถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาถูกรู้ถูกดูกุศลอกุศลถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราจิตเองก็เกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเนี่ยหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เลย ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะจนวันหนึ่งปัญญามันแก่กล้าขึ้นมามันจะเห็นเลยว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนี่คล้ายๆเราถอดสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์ออกมาเป็นชิ้นๆสําเร็จละแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นไม่ใช่รถยนต์ละนี่ปัญญามันอย่างรู้เราถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมาเป็นส่วนๆเป็นชิ้นๆเป็นกองๆคําว่าเป็นกองๆก็เรียกขันนั่นเองขันเปลวากองเป็นกลุ่มเป็นกอง ร่างกายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งสังขารส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งค่อยๆแยกไปนะพอยแยกออกไปแล้วเนี่ยจะเห็นเยไม่มีเราไม่มีเขาสัญญาอยู่ตรงไหนสัญญาอยู่ตรงที่เข้าไปหมายรู้หมายรู้ลงไปว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจสัญญาเห็นกายเป็นทุกข์เป็นทุกขสัญญาเห็นเป็นอนัตตาเรียกอนัตตสัญญาเราไม่ไปดูตัวสัญญาตรงๆนะ เราดูกายดูเวทนาดูกุศลอกุศลดูจิตนะแต่ถ้าธาตุขันมารวมกันแล้วสัญญาทาํางานยังไงสัญญาจะวิปลาสไปหมายรู้ผิดผิดว่านี่เป็นตัวเราดังนะนั้นสัญญาเนี่ยนะทําให้เกิดปัญญาก็ได้สัญญาทําให้เกิดความหลงผิดก็ได้นะตัวสัญญาเล่นยากนั่นแหวนเอาไว้ก่อนดูกายไปดูเวทนาไปดูสังขารที่เป็นกุศลอกุศลไปจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรา ดูจิตดูใจไปจิตเดียวสุขจิตเดียวทุกขจิตเดียวดีจิตเดียวร้ายดูไปเรื่อยเห็นมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรวันใดที่เราเห็นว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราอยู่ที่ใดเลยนะตัวเราถาวรเนี่ยไม่มีนะเห็นอย่างนี้เราจะได้ธรรมะนะจะได้ธรรมะได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยท่านละมิจฉาทิฐิได้ มิจฉาทิฏฐิมีเยอะนะเยอะแยะเลยแยกออกไปได้เยอะแยะเลยแต่ตัวหลักๆก็คือตัวสักยญาติทิความเห็นผิดว่าเป็นเราถ้าล้างตัวนี้ได้ตัวอื่นก็ปลอยถูกล้างไปด้วยมิจฉาทิฏฐิบางส่วนเป็นเรื่องของอดีตไม่รู้ความจริงของรูปนามในอดีตมิจฉาทิฏฐิบางอย่างไม่รู้ความจริงของรูปนามในอนาคตมิจฉาทิฏฐิบางอย่างไม่รู้ความจริงทั้งอดีตทั้งอนาคต มิชาทิฏฐิบางอย่างไม่รู้ความจริงในปัจจุบันนี้ว่าตัวเราไม่มีเมื่อเราค่อยฝึกนะฝึกดูลงในกายฝึกดูลงในใจเนี่ยเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยนี่เป็นขั้นของการเดินปัญญาก่อนจะเดินปัญญาได้อย่าลืมนะรักษาศีลฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วถึงมาเดินปัญญาศีลจำเป็นรักษาไว้ตั้งใจรักษาถ้าทาผิดไปแล้วแล้วไปนะตั้งใจใหม่ว่าต่อไปจะไม่ทาอีก นะสีรักษายากนะรักษายากถ้าไม่มีสติถ้าฝึกไปเรื่อยต่อไปยิ่งรักษาง่ายเพราะสติเร็วนะใจอยากดา่าเขาแวบเดียวรู้ทันแนะรู้ทันใจอยากส่อเสียดแปบบ๊บรู้ทันแนละนะ้ทำไมเน้นอยู่ที่ข้อ4ข้อ4รักษายากที่สุดเลยรู้สึกหมอยากพูดเพนะ้อเจ้อเนี่ยสติรู้ทันนะข้อหนึ่งจะไปฆ่าใครไปตีใครวันหนึ่งจะทำอะไรสักเท่าไหร่นะมีบางคนชอบบี้มดนะ เห็นว่าเดินเป็นแถวไม่ชอบมากเลยบี้หัวแถวถึงท้ายแถวบี้อย่างนี้นะตอนเจ็บหนักนะคนเนี้ยหลวงพ่อรู้จักตอนเจ็บหนักนะอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็สะอาดดีเราโอ้ยโอยมดมาละมดมาละอยากบี้อยากบี้แต่บี้ไม่ถึงนะไม่ไม่มีมดมาเดินจริงๆหรอกใจมันเห็นนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นนิมิตละะเป็นนิมิตมากจะไปอบายแล้วเรารักษาศีลได้ๆนะรักษาศีลไม่ ฝึกสมาธิฝึกทบในรูปแบบไปนะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้เดินจงกรมก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วจิตขยับไปรู้ทันจิตขยับไปรู้ทันจนจิตตั้งมั่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งมัน่นะได้สมาธิทัดจากนั้นมาแยากรูปแยกนยามแยกกายแยกใจเดินปัญญาจนวันหนึ่งเห็นความจริงนะกายนี้ใจนี้ไม่มีเรานะจิตวางกายวางใจเรียกว่าวีมุิ เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานะส่งทอดกันไปเรื่อยถึงวันหนึ่งก็ถึงวิมุตต์หลุดพ้นจากความยึดถือในใกายในใจนีนะ้มีความสุขที่สุดเลยนะฝึกนะ้าแล้วจะได้รับความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยนะความสุขในโลกนะั้พูดงา่ายๆขี้ๆกระจบมสุขในโลกนะฝึกธรรมะเขานะเอาไปทานข้าวนิมนต์ ห, หน่อยครับนิมนต์